ขอจงส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเฮลิคเนียเอสกรุ๊ปจำกัดของขวัญใดจะทําให้พ่อชื่นใจได้เท่าความบีของคุณด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเฮลิคเนียเอสกรุ๊ปจำกัดใกลแค่ไหนนำประเทศไทยก็ไปถึงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเฮลิคอนียเอสกรุ๊ปจำกัด อีกเสียงหนึ่งจากหัวใจคนไทยทั้ง60ล้านโดนแดกพระมหากษัตริย์ที่เรารับยิ่งหรือสิ่งอื่นใดขราบ ก, กับผู้จ้าบริษัทเฮิลิคนอนียเอสกรุก๊ปจงกั๊